50 languages. 85. y e m b a ta aydu. Question. Adhikar one. Prashne garu. Bhuta kalawundu. Kun d ื่ m pay maq khae nae lau. Ni vuu yeshtu kudi diri. คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้วนี่วูเยชตูเกลาซามมาดิดิริคุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้วนี่วูเยชตูบารดิริคุณนอนหลับสบายไหมนี่วูเฮกินิดเรมาดิดิริคุณสอบผ่านได้อย่างไร นี่วูปาริกเชยลี่เฮเก้เทิร์กเดะฮุนดิดคุณหาทางพบได้อย่างไรนี่วูดาริยันนูเฮเก้พัตเตมาร์ดิดีดิคุณพูดกับใครมานี่วูยาโรดันเน่มาตนาดิดคุณนัดกับใครมานี่วูยาโรดันเน่กาชมาดิคอิ คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมานี่วูเนืหุตตุหบบะว น, นูอาจริสิดีริคุณไปอยู่ที่ไหนมานีเยลลีอิดดีริคุณเคยอยู่ที่ไหนมานีวเยลลีวาสิสิดีริคุณเคยทํางานที่ไหนมา วเย็นลีกลสมาดดิริคุณแนะนําอะไรไปแล้วนิวเยนนนชิฟรซูมาดดิริคุณทานอะไรมานิวเยนนนตินดิริคุณได้พบอะไรมานิวเย็นนนโนตริลุคนดิ คุณขับรถมาเร็วแค่ไหนนิวูเยสตุเบกวากีกาดีวอดิศิริคุณใช้เวลาบินนานเท่าไรนิวูเยชตุฮตตวิมานยานามาดิศิริคุณกระโดดได้สูงเท่าไหร่นิวูเยชตุเยตตระนเกดิริกรุณาไปที่